ันนี้ท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมมัดกต่างๆทางโอกาสที่เหมาะสมให้มาเยี่ยมผู้ป่วยที่คุณเพาด้วยคุณเพาเป่ารักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ได้รักษามาเต็มกำลังความสามารถ จากนั้นก็มารักษาที่นี่พอพูดมาถึงตรงนี้ก็กเหมือนกับว่าวัดป่ามันตานี่เป็นโรงพยาบาลแต่ละหมายที่นื่ทำมโอสถคือมาเพื่ออบรมจิตใจที่เรียกว่าภาวนาและฟังคำ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 ดโดยเฉพาะที่เรียกว่าจิตตะโคนนามั่งมีเรียกว่ารักษาจิตด้วยธรรมกายเรามีการรักษากันแต่จิตใจไม่ค่อยมีการรักษาเพราะฉะนั้นแม้ความสุขกายสบายใจทของเรความมีอยู่บ้างแต่ความสุขทางด้านจิตใจไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ไม่มีแต่ส่วนย่อยมีส่วนกายนี้แ่าจะมองเห็นด้วยตาเนื้อว่าเป็น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 เป็นเช่นเดียวกับร่างกายแล้วต้องแหลกเหลวไปนานแล้วไม่สามารถที่จะครองร่างกายมาได้จนถึงขนาดนี้เลยแต่เพราะจาิตมีความเงื่อนหนามันคงนิทนทานอยู่มากในการกระทบกระเทือนสิ่งต่างๆที่ต้องเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจทั้งนั้นไม่ว่าจะมาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายที่สืบเนื่องมาจากรูเสียงกลิ่นวัตถุงขั้มผัดจะต้องไหลรวมลงสู่ใจเช่นเดียวกับน้ำ ต่างๆไหลรวมลงในมหาสมุทรทะเลนั่นแหละส่วนมากก็มีแต่ของสปกปรกหลรวมลงไปสู่จิตใจซึ่งเป็นของสำคัญแต่กลายเป็นภาชนะสำหรับใส่ขยะไปเสียจึงหาความแปลกประหลาดหาความสุขความสบายไม่ได้ดังนั้นการที่มาอบรมศีลธรรมทางด้านจิตใจเ ป, เป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่คือใจซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของร่างกายหากว่าใจมีเหตุมีผลมีอัดมีทำอยู่ภายในตัวเองแล้วน่าจะระบายออกทางกายทางวาจาก็ถูกต้องโดยเหตโดยผลทําการกระทําอะไรไม่ค่อยผิดพลาดใจก็มีความสุขกายก็เป็นปกติของกายหากว่าจะเกิดโรคภยยัยไข้เกจยวขึ้นบ้างก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายกระเทือนเข้าไปถึงใจจนกลายเป็นโรคเแค่นิดหนึ่งขึ้นมา การอบรมธรรมะเข้าสู่จิตใจจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งท่านสอนไว้บ อ, อกพระพุทธศาสนาพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงประเสด็จยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของศาสนาตรา ต, ต่อมาแต่ละประโยคแต่ละคํานี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่ชอบโดยความจริงทั้งนั้นไม่มี ผิดคาดคาดเพื่อนเหมือนอย่างสามัญชนทั้งหลายพูดกันธรรมนาสามัญชนเราพูดกันนี้พูดไม่มีเหตุนิตไม่ค่อยมีเหตุมีผลไม่มีขอบเขตกว้างแคบลึกเกินอยากละเอียดว่ากันไปแล้วแต่น้ำลายจะพับพุงฟุ้งไปได้หมดวันยั่งค่ากว่าเป็นไปได้แต่หาประโยชน์ไม่ค่อยได้และความสนใจที่จะใคล้ควรตามคําพูดคําจาทั้งองเขาทั้งเราเพื่อเอาผลประโยชน์มาเพฤ่อปฏิบัติให้เป็นความสุข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 ทั้งหลายเที่ยวแจกเที่ยวแบ่งอัธรรมเพื่อให้เข้าถึงจิตใจของประชาชนและสั ต, ตว์ทั่วๆไปในเรื่ความสุขความสบายเหตุใดจึงต้องเที่ยวแจกเที่ยวแจงเที่ยวแนะนําสั่งสอนก็เพราะว่าสัตว์โลกนั้นงโง่สิ่งที่ตายเห็นอยู่ก็ผิดหูได้ยินอยู่ก็ผิดอะไรลายที่สัมผัสสัมพันมาคอยติดตะคิดไปเรื่องเป็นความผิดทั้งนั้นเนื่องจากความโงเ่เขาอยู่ภายในจิตใจพาให้ผิด สิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่ก็ผิดไปได้เพื่อท่านทรงเห็นเหตุเห็นผลของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้ดังนั้นํำพระโอวาทที่ถูกต้องมีงามมาสั่งสอนที่เรียกว่ า, าศาสนาและาศาสนานั้นท่านสอนเพื่อใครนอกจากเพื่อเราเท่านั้นพระองค์เองก็เป็นผู้บริสุทธิ์ถึงมีมุทภิพัน์แล้วตั้งแต่วันตัสสรู้ที่แรกก็มีความจาเป็นอะไรที่จะ ต้องเที่ยหาแบง่งสรรตันส่วนออกจากพรรดาสัตว์โลกทั้งหลายจากการสั่งสอนอบรมไม่มีแต่แม้เช่นนั้นก็ภาระใครในโลกนี้จะสู้กับภาระของพระพุทธเจ้าได้เราเพียงทําการทํางานเพียงเล็กน้อยกับบ่นอุบอีอบอปิบวันยั่ ง, งคําคืนยั่งนุ่งอยู่ในสถานที่ใดก็มีแต่คนบน่นพระพุทธเจ้าทําประโยชน์ให้โลกมากมายทั้งสามโลกกะกทั้นแลทำไมถึงไม่หนักขนาดสามโลกนะ มีจำนวนมากอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ซึ่งเจิดเกยวจิตเป็นภาระแนะนําสั่งสอนแม้ที่สุดขณะที่จ ะ, ร, ะรินิพพานก็ยังต้องมีสันโลกเข้าไปเกี่ยวข้องมีสุภะธาปริพาชกเป็นต้นเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอนุณตีกันเอาไวา้กลัวจะเป็นการไปรบกวนพระองค์ให้มีความลําบากในพระกายขณะที่จะไประรนิพพานแม้เชนั้นก็ไม่ทรงปล่อยวางพระเมตตาจึงต้องรับสั่งให้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 เป็นภาษาโภคาละหันองค์สุดท้ายนั่นถ้าพูดถึงเรื่องความเมตตาไม่มีล้นละแม้แต่สุดขณะที่จะปริยุทธ์พังก็ยังต้องประทานพระโอาวาทที่เรียกว่ายอดคําสอนว่าอนาดาในภิคเวอามตยามีโวพิคเวพยธธมาวยาธมมาสร้งางฆราอัปมาเดนะสัมปาเดธาดูก่อนพิสูจทั้งหลายตอนนั้นรู้สึกจะมีแต่พิกษุทั้งนั้นท่านจึงว่าพิคอย อันนี้เราเตือนเธอทั้งหลายให้พิจารณาสังขารธรรมซึ่งมีความเกิดความดับอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันด้วยความไม่ประมาทเถิดนะเพียงเท่านั้นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์เป็นวารคสุดท้ายคําว่าปิดพระโอษฐ์ก็คือไม่รับสั่งอะไรต่อไปอีกทําหน้าที่ปรินิพานโดยลําดับลํำดั บ, ดบตั้งแต่ปฐมฌานเข้าปฐมฌานแล้วก็ดุติฌานตัดฌานเจตุฌานเป็นลําดับจนกระทั่งถึงอากาสาริยชนะ ที่เรียกว่าอรูปฌานกิญญาณจันทร์เนสัญญาณ า, า, านัญญาชนะอคิจัญญาชนะเนสัญญาานัญญาชนะเป็นรูปฌานสี่แล้วก็ก้าวเข้าศู่นิโรธธรรมะที่เรียกว่าสัญญาเวทายตานิโรธนั่นระดับเวทนาสัญญาเวทนาอยู่ที่นั่น <โ ield. S 1> แล้วถอยกลับออกมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจนกระทั่งถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปฐมฌานอีกพอก้าวผ่าน รูประชานสี่คือจตุจารา์แล้วไม่ไม่เสด็จชานไหนต่ออีกปรินิพานในขณะนั้นเป็นอันว่าหมดภาระในการสั่งสอนจากโลกภาระของพระพุทธเจา้าได้สิ้นสุดลงในขณะที่ทรงทำหน้าที่ปรินิพานตั้งแต่วันตรัสรูมาจงระทั่งถึงวันทำหน้าที่จะปรินิพานในวันสุดท้ายนั้นพระองค์ไม่ทรงว่างเลยท่านจะเรียกว่าพุทธกิจหา มีพูดถึงเรื่องภาระของพระพุทธเจ้ามากมายเพียงไรพพุทธกิจหาคืออะไรชานเทตธรรมเทศนังตอนบ่ายสามโมงสี่โมงก็แสดงธรรมให้แก่ประชาชนมีผราชาหมาสัตว์เป็นต้นปปปอะไรปาโดเซพิกุอวาดังตอนค่ำตอนสองทุ่มสามทุ่มก็ประธานอวาาแจกพระสงฆ์ อัธราเตเทวปัญหากลงปัญหากลงตอนหกทุ่ม่วงไปแล้วก็ทรงแก้ปัญหาเทวดาลและประธานอุวาทแก่เทวดาชั้นต่างๆปบาปะเบวิโลการนังพอเก้าทุ่มปชิมยามทรงเลญยานดูสัตวโลกว่าใครที่จะมีอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วแต่ชีวิต นอย่างภาษาของเราว่าจะตายไปอย่างง่ายๆจะต้องเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนนี่แล้วเหล่านี้เป็นภาระทั้งนั้นการพิจารณาเรียนยานดูสัตวโรกก็คือพุทธกิจพุทธกิจก็หมาถึงงานของพระพุทธเจ้าปจุเซปินปาตันจะพรตันชากเสด็จบินธมะมาเสวยนี่เป็นประจำอยู่อย่างนั้น พูดถึงเรื่องภาระใครจะในโลกนี้จะมีภาระมากนเหมือนอย่างพระพุทธเจ้ารับถึงสามโลกธาตุเราจะประกอบความภาคเพียรหรือทําหน้าที่การงานทางเล็กน้อยเท่านั้นก็ถือว่าเป็นความลำบากลำบนยิ่งจะภาวนาเพื่ออัดเพื่อทําเพื่อจะนําความสุขเข้าสู่จิตใจให้มีความเยือกเย็นใจบ้างก็ถือว่าเป็นของยากของลำบากไปเสียพีน้ำซ้ำมาตน้นอานาจมัสน้อยไม่สมควรจะทําทั้งหลายนี่ ไอ้กิเลสมันหลออไปทั้งวันทั้งคืนบาเวลาจะสั่งสมกิเลสไม่เห็นคิดถึงอํานาจวาสนาบ้างเลยเมื่อได้ที่เลสเข้ามาเต็มหัวใจแล้วเกิดความดดร้อนมมาแล้วกระ บ, บุนให้กิเลสเนี่ยบุญแตเป็นบนุญแต่ฝ่ายผลเหตุไม่บุญไม่แฝ่มันก็ไม่สําเร็จประโยชน์งั้นเพื่อความเหมาะสมไม่ให้เสียการเสียเวลาของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ผ่านมานานกี่ปีแล้วตั้งแต่วันตกคลอดจากท้องแม่มาจนขระั่งปัจนนี้เราได้กี่ปีกี่เดือนเรา ผ่านการผ่านสมัยผ่านหน้าที่การงานผ่านความทุกข์ความลําบากมานานเพียงไรประสบพบเห็นในสิ่งต่างๆได้ลผลมากน้อยเพียงไรแล้วได้บวกได้ ล, ลบบ้างแล้วหรือยังผลที่ปรากฏแล้วนั้นมีอะไรบ้างและเสื่อมสูญหายไปไหนเวลานี้ที่เราจะฆ่าต่อไปข้างหน้าเราจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราส่วนงานทางโลกนั้นไม่มีสิ้นสุด ท, าาทาํานกระทั่งถึงวันตายก็ไม่สิ้นสุดต้องปล่อยวางตายจนได้ <S <S <S <S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 แรงั้นจะสายแสบไปสู่อารมณ์ต่างๆซึ่งของที่เคยเป็นไปแล้วก่อความทุกข์ให้ตนได้รับความเดือดร้อนอยู่เสม อ, อมันจึงสอนให้ภาวนาเช่นผู้ที่จะภาวนาพุโทโธหรือธรรมโมหรือสังโคหรือจะกาหนดอนาปานทติโดยตามด้วยพุโทโธเช่นพูดเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้ทั้งนั้นตามตลิบนิสัยที่ชอบในธรรมบทใด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 ให้มีความรู้สึกอยู่โดยเฉพาะกับลมหายใจเท่านั้นไม่ต้องไปหมายถึงเหตุถึงผลอันไรที่นอกไปจากการทํางานคือกาหนดลมหายใจในขณะนั้นดันั้นเมื่อเวลาสติของเรามีติดต่อสืบเนื่องไปอยู่โดยลําดับจิต ก, ก็มีโอกาสที่จะเล็ดลอดตัวอารมณ์ต่างๆที่เป็นพิษเต็มไปดี ก, ก็จะยังเข้าสู่ความสงบโ ด, ดยลําดับลําดับแม้ลมหายใจที่เคยหายใจว่าหยากในขณะที่เรากาหนดเบื้องตน้น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 มีแต่ความรู้ที่ทรงตัวอยู่เพานั้นนี่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเรียกว่าเป็นผลของการภาวนาก็าได้ผู้กำหนดพุดโทโธก็มีธํามนาะก็มีในลันกษณะเดียวกันถ้ากำหนดพุดโทโธโดยไม่เกี่ยวข้องกับลมก็ให้มีมีความรู้สึกกี่กับคําว่าพุโทโธพุโทโธโดยลำหนักไม่ต้องแต่าดแต่หมายถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างมีคนมาหลอกว่าเวลาภาวนาเล้วเกิดนิมิตอย่างนั้นมานิมิตอย่างนี้มาเล้วเป็นบ้านะเนี่ย คนพูทดีเขาพูดอย่างนั้นก็มีแต่ส่วนมากคนที่พูดอย่างนั้นไม่เคยภาวนามาพูดเปล่าๆแบบนั้นนะหลอกคนคนก็พอยที่จะเชื่ออยู่แล้วเพราะมันคนในลักษณะเดียวกันแล้วก็เชื่อกันง่ายๆ <Hey. S 1> ถ้าว่ามีหลักมีเกณฑยนอยู่ภายในตัวเองมีเหตุมีผลอยู่ภายในตัวเองซึ่งเคยกระทำในการภาวนามาแล้วจะไม่เชื่อคำพูดเช่นนั้นเพราะเหตุใดพระพรุทธเจ้าสอนสัตว์โลกไม่ได้สอนสัตว์โลกให้เป็นบ้า hey. พระพุทธเจที่เป็นศาสดาก็าไม่ใช่ศาสดาบ้ามาสอนสันโลกจะสอนเพื่อเป็นบ้าได้อย่างไรผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อ ป, ฏ, ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วจะเป็นบ้าไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เหตุที่จะเป็นบ้านัน้นมันเป็นได้เพราะความแยกจากธรรมคือผิดจากหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เช่นกำหนดภาวนาพุทโธพุทโธเพราะจิตสรงไปรู้เห็นอะไรก็รจิตก็เพลินไปทํามโน่นเสียหรือจนกระทั่งลืมคําบริกรรมของตนนี้มีทางผิดได้นีหลายคนที่ว่าเป็นม้าเป็นบอเพราะผิดจากหลักของการภาวนา คิดจากหลักของศาสนาแล้วเอาศาสนาไปทำมีตีโทษหรือตีเตือนว่าภาวนาทําให้คนเป็นบ้านี่เป็นอย่างนั้นในเมือ่องเรากําหนดยอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรกําหนดคําว่าพุทโธพุทโธก็ให้มันรู้อยู่กับใจของเรานี้ไม่ต้องคิดว่าดภาพเห็นสวรรค์แดงนี่นิพพานแดงั้นหรือเทบุตรเทดาแดงนี้อินพรมโยมยักษ์เป็นอย่างนั้นนั่นดังที่เราเรียนมาในแบบเห็นในแบบนั้นท่านเห็นด้วยความจริงด้วยญยาณของท่าน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 และปรากฏว่าลมนี้หายไปเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่จะเกิดความนิตกขึ้นมาทานจิตซึ่งเป็นเครื่องหลอกตนอีกเหมือนกันจึงได้แก้กรุงนี้ไว้เพื่อให้ได้เข้าใจเมื่อปรากฏว่าลมได้หายไปในความรู้สึกแล้วมันจะเกิดความนิตกขึ้นมาว่าเมื่อลมหายไปนี้จะไม่ตายเลยน่ะนี่แหละหลอกตัวเองพออย่านั้นเขเรียกว่ากลัวตาย เมื่อบิตกขึ้นมานี้ลมก็ปรากฏขึ้นมาเสีะเลยได้เพียงขั้นนี้ไม่เตลิดละเอียดยิ่งไปกว่านั้นเพราะนั้นเพื่อตัดปัญหาข้อนี้เมื่อลมได้ปรับปลดว่าหายไปในขณะที่เราพอนานนั้นก็ให้ทําความรู้สึกกับตวนว่าลมจะหายไปก็ตามไม่หายไปก็ตามเมื่อจิตยังครองล่างอยู่แล้วจะไม่ตายเป็นขณะที่เราหลับลมหายไปหายเราเห็ น, าหนกาหนดกฎเกณฑ์มันเราก็ยังไม่ตายี่ ที่เราภาวนาเรายิ่งรู้ละเอียดยิ่งกว่านั้นว่าลมหายไปโดยความรู้สึกในการภาวนาของเราน่าจะมีสติยิ่งกว่าการหลักนั้นแต่จะกลับไปกลัวนี่แสดงว่าไม่ทันกนมายาของกิเลสเพื่อให้ทันกนมายานี้จึงต้องทําความรู้สึกตามหลักความจริงว่าเมื่อลมหายไปแล้วจิตยังครองร่างอยู่ไม่ตายเพียงนี่จิตก็ทะลุถึงความทันละเอียดจนหายไปหมดทั้งร่างกายและลมไม่ปรากฏในความรู้สึกนั้นเลย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 ถ้าลงได้ทําตามหลักธรรมข้อยันนี้ไม่ไปไหนต้องเข้าสู่ความจริงคือผลที่จะบรงได้รับจะต้องได้รับตามเหตุที่เราดำเนินถูกต้องแล้วทีนี้จิตของเรามีความสุขมากน้อยเพียงไรพอจิตปรากฏเริ่มปรากฏความสงบขึ้นมานั้นเราจะได้สดุดจิตใจของเราทันทีว่าอ้อความสุขเป็นอย่างนี้เพราะความสุขภายในจิตไม่ได้เหมือนความสุขอินใดที่เคยผ่านมาเป็นความสุขที่แปลกประหลาดท่านอาจารย์ยิ่งกว่าความสุขใดทั้งหมดในโลกนี้เพราะฉะนั้นศาสนาจึงมีมาประ จ, จรําตลอด ทุกวันนี้ไม่มัศา ส, สนาถูนหายเปนานแล้วเพราะรสชาติของศาสนานั้นสู้รสชาติของโลกไม่ได้ผูึงว่ารถที่ยอมก็สู้โลกไม่ได้ความแปลกปรหลาดอภิจันท ร, ร์ใดๆสาระสาคัญก็สู้โลกไม่ได้นี่ศาสนาล้มไปนานแล้วไม่มีใครสนใจแต่นี้เพราะศาสนาเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าโลกใดๆทั้งหมดในบรรดาสามโลกนี้เพียงแต่จิตสงบเท่านั้นเราก็เห็นความแปลกของเราแล้วภายใน ร่างกายจิตใจเราซึ่งไมเคยแปลไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความสงบนั่นเลยแต่ขณะที่ภาวนาจิตได้มีความสงบขึ้นมาพอจิตได้รับความสงบเป็นผลขึ้นมาแล้วเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามหรือความขยันความมีเวลาเวลานั้นมาเองมากับความพอใจมากับความเชื่อที่เราได้เห็นผลนั้นเป็นพระจักพยานแล้วเรื่องเวลาเวลาก็ดีสถานที่อะไรที่ควรจะทําภาวนา ทำความสงบใจหรือทําความเพียรทางด้าใจในจิตใจไม่ต้องถามเมื่อจิจมีความพอใจแล้วมันเสาะแสวงหาได้เองทีเดียวนี่คืขั้นหนึ่งของการภาวนาวิธีการภาวนาเป็นอย่างนี้เมื่อเราพูดถึงขั้นภาวนาเพื่อความสงบที่นี่ขั้นของตัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาแค้ดังที่เราพูดกันนั้นเป็นคําพูดติดปากว่าไปทําวิปัสสนาคําว่าวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งด้วยการพิจนารณา โดยทางปัญญาแต่เมื่อพูดรวมๆแล้วเรียวกว่าภาวนานี้ครอบทั้งสมถานิปัสสนาแต่เราจะพูดว่าวิทธ ร, รมิปัสสนาก็เข้าใจกันว่าทําภาวนานั่นแหละขันวิปัสสนาจริงๆก็คือการพิพจิตรณาเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นแล้วจิตย่อมมีอุบายต่างๆไม่เมื่อเราพาคิดพาพิจารณา แ, แยกแยะถาขันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเคยได้อ่านแต่ตำหลักตำหลกัก วอ น, นิจังอยู่ที่ไหนทุกขังอยู่ที่ไหนเห็นแต่คนนั้นแก่เห็นแต่คนนี้ตายเห็นแต่คนนั้นพักพากลหลายจากกันตัวของเราก็คือตัวพักพากตัวอา น, นิจังทุกขังนั้นตาเหมือนกันโอปัญโกน้อมเข้ามาสูต่ตัวของเราแก่มาทุกวันทุกวันตั้งแต่วันตกคลอดออกมาแก่ขึ้ น, ม า, าน ม, ามาเรื่อยๆแก่มาเดินดับแปรสภาพไ ม, ม่เ ล, เลื่อยๆหนีเดียวอา น, นิจังความทุกข์กรติดแน่ Jang มาตั้งแต่วันเกิดขนาดที่ตกคลอดออกมานั้นสลบสลายตัวเต็มของเด็กนั้นไม่รู้ตัวเลยความทุกข์เบื่อประมาณบางรายก็ตายไดตั้งแต่อยู่ในท้องตกคลอดออกมาตายก็มีเพขาม่หว เรื่องความทุกข์มันติดเนี่ยมันตั้งแต่น้นจนกรทั่งบัดนี้เรายังจะสงสัยเรื่องอนิจจังทุกข์อนัตตาที่ไหนไปอีกกองอนิจจังทุกข์อนัตตาอยู่กับตัวเราอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วอนิจจังคือความแปรสภาพแปรทุกขณะแม้แต่เวลานี้นั่งอยู่สักคู่เดียวมันก็เหนื่อยแล้วนั่นมันแปรแล้วธาตุขันแปรเปอย่างหนึ่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วอนัตตาเราจะถือเอาสาระแก่นสารอะไรในธาตุในขันอันนี้มันก็มีแต่กองดินน้ําลมไฟที่ประชุมกันอยู่แห่งธาตุเท่านั้นทัานเรียกว่าธาตุสี ขันก็เรียว่าขันห้าคือรูปได้แต่ร่างกายทั้งเรานี้เป็นขันหมายถึงกองเป็นหมหรือหมวดเนี่ยเศรษนาคือความสุขความคลุกคลืเฉยนี่ถ้เป็นเป็นหมวดหนึ่งหรือเป็นกองกันหนึ่งสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงเนี่ยวิญญาณความรับทราบทั้งห้านี้ท่านเรียกว่าขันห้าในขันห้านี้มันมันมีสาระอะไรอยู่ภายในตัวของมันพอจะยึดจะถือว่าสิ่งนี้เป็นเรามีหมายถึงหนุนวิปัสสนาละทิ่นจะแยกใ ห, หาความจริง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 ที่จะตัดชิ้เลตออกได้เป็นตอนๆหรือเป็นระยะระยะระย ะ, ะ, ยะจนกระทั้งสามารถตัดขาดออกได้หมดภา น, นขันห้าซึ่งยึดเหนี่ยวหรือเกี่ยวโยงกันไปหมดนี่ว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราจิตกับขันห้าเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกพอเวลาปัญญาได้แยกแยกพิจิพิจนารณาด้วยอํานาจของความฉเฉลียวฉลาดที่เคยฝึกหัดปัญญามาจนชำนิชำนานสามารถแยกออกได้รูปก็ทราบว่ารูปเวทธนาสัญญาสั้งขันญาณแต่ละอย่างทราบว่าเป็นสิ่งนั้นๆๆ้แต่ไม่ใช่เราเราไม่ใช่สิ่งนั้นๆแยกกันแล้ โดยลำหนัหนบๆจนกระทั่งสามารถแยกกิตกับกิเลสอาชวะซึ่งฝังจมอยภ า, ายนกิจนั้นได้ออกโดยไม่มีอะไรเหลือภายในจิจนั่นแหละท่านเรียกว่าพุทโธแท้ผลของการปฏิบัติจติตตภาวนาเมื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วได้แก่เป็นพุโทโธแท้เช่นเดียวกับพุโทโธของพระพุทธเจ้าแต่ว่าในหมายถึงพุทโธของพระพุทธเจ้าโอองค์นั้นแท้แต่หมายถึงพุโทพโธของเราเทียบเคียงกันได้ความมือสุดนี่เสมอกันกันกบพระพุทธเจ้าแต่พุทธวิสัยกับ สาวกอวิสัยนี่ผิดกันความสามารถอ่านรู้ด้วยการแนะนําสั่งสอนความเฉลียวฉลาดนี้ทวยเจ้า ต, ต้องสมภูมิพระองค์ท่านแต่พวกเราก็เต็มตามภูมิของเราสําหรับความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันทันหวันนัดติดเสยเยาวปาประโยชน์นับตั้งแต่สาวกองตั้งแต่ทวยเจ้าลงมาจนกระทั่งพิษสาวกองค์สุดท้ายบรรณบรรณาที่เป็นพระหานแล้วความบ ร, ริสรุทธิ์เสมอกันไม่มียิ่งหย่อนต่างกันเลยนี่เหมือนกันตรงนี้ นี่แหละคือผลที่เกิดขึ้นจากทำจิตด้วยการภาวนาทำไปโดยลําดับดัๆแจ้เจีไปโดยลำดับจนกระทั่งแจ่หมดโดยสิ้นเชิงแล้วเหลือความบริสุทธิ์ล้วนนั่นแลผู้ทรงความสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขประเภทนี้ท่านเรียกว่าโรกุตละธรรมอันสูงสุดที่คือทำเหนือโลกเหนือโลกคือเหนือธาตุเหนือขันเหนือสิ่งใดใทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนา ชาติธรามท่านสอนท่านมีเหตุมีผลคือดำเนินไปเส้นนั้นเช่นนั้นตามหลักท่านสอนไว้และผลก็ต้องปรากฏขึ้นตามตามอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เหตุมีอยู่ผลต้องมีผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงานตามหลักธรรมท่านสอนผลจะไม่ได้รับอย่างไรคําว่าธรรมก็คือส่วนขาธรรมจับได้ชอบแล้วไม่ใช่โมฆะธรรมผู้ปฏิบัติทําไมจะไม่ได้รับผลมักคผลนิพพานที่ว่ามันสูญสูญไปไหนมันสูญจากบุคคลผู้ไปสนญกายต่อการปฏิบัติตนั่นแหละแต่ข้างพุทธการก็มักคผลนิพพานไม่มีท่านหลักบุคคล ที่ไม่สนใจแต่มีสําหรับผู้สนใจที่ปฏิบัติตามหลักพระเจ้าในสมัยนี้ก็เหมือนกันมัชชิมาคือสูงกลางต่อความจริงรอยู่เสมอสูงกลางเพื่อแก้ทิเดศเหมาะสมของการแกร้กิเดศอยู่ตลอดไปไม่ว่าทิเดศตัวใดประเภทใดไม่สามารถที่จะผ่านพ้นอํานาจของมัชชิมาปฏิบัติฐานนี้ไปได้เลยจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแกร้กิเดศของสัตว์โลกท่านเรียกว่ามัชชิมา และมัทิมาสมัยทุกวันนี้กับมัทิมาตั้งแต่ตทั้งพุตรการมีต่างกันอย่างไรไม่มีอะไรต่างกันที่เลสก็ประเภทเดียวกันมัทิตมาเครื่องแก้กิเลสก็ประเภทเดียวกันเมื่อเรานำเอาเพื่อปฏิบั ต, ติธรรมตัดกิเลส ท, ทําไมกิเลสจะไม่หลุดลอยไปได้ด้วยอํานาจแห่งการปฏิบททัติธรรมที่ถูกต้องมีงานตามหลักมัทิตมานั้นเล่าก็ต้องได้เหมือนกันเมื่อสะดวกความลองแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีสำหรับผู้ไปปฏิบัติเท่านั้นแต่มีสำหรับผู้ปฏิบัติมีมากมีน้อยตามกําลังของคําปฏิบัติของตนมีอยู่ตรงนี้เรียกว่าสวดคา นิยาเนี้ยการํา น, ำ, นำผู้เพื่อปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ไปได้เดิมดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือจากธรรมของเจ้าไปได้ที่จะเป็นเครื่องแก้ที่เป็นเครื่องแก้ที่เละให้หมดทิดไปจากจิตใจจึง เ, เป็นที่ลงใจในการเพื่อปฏิบัติทำและไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยํายิ่งกว่าศาสน า, ศ า, ศาซึ่งเป็นผู้สิ้นจิตเละแล้วพูดตั้งแต่ความจริงทั้งนั้นความโกดความปลงความหลอกความลวงต้มถึงนอย่างโลกนี้พระพุทธเจ้าไม่นํามาพูด เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นเรื่องธรรมต้องพูดกลงไปกลงมาพูดตามเหตุตามผลพูดตามความสัจความจริงผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามความสัมจยิงทําไมจะไม่รู้ความจริงแล้วต้องรู้ร่างใหญ่ก็อยู่ที่ตรงนี้ท่นนานในอวสานเน่ยการแสดงธรรมขอให้ท่านทั้งหลายแนะนาปัญญิพิจารณะาว่าธรรมที่แสดงปานี้มีหนักเบามากน้อยเป็นไรเป็นที่แสดงหูแสดงใจของท่านทั้งหลายก็ขอขอภัยด้วยเพราะธรรมนี้เป็นธรรมป่าของเราคงจะเป็นประโยชน์แต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่มากก็น้อย 好了，听同意。